วันนี้วันที่สิบกมิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบมองดูเวลาเป็นเวลาเก้านาิกาพอดีวันนี้รู้สึกว่าร่างกายโป ร, ยร่งเรียงแรงเรื่มมีขึ้นแต่ว่าการเดินก็ยังเป็นงองอยู่สภาพร่างกายยังไม่ปกติในเมื่อมีแรงอยู่บ้างว่างจากงานเล็กน้อยในตอนเช้า ก็หาเรื่องมาเล่านิทานสู่ลูกหลานฟังเพราะว่าเรื่องนิทานนี่เป็นเรื่องดีไม่จําเป็นต้องใช้เรื่องจริงเสมอไปแต่ถ้าว่าอะไรถ้ามันจะเป็นประโยชน์ก็นํามาเล่าสู่กันฟังได้นิทานที่เล่าต่อไปนี้เรื่อเรื่องจริงๆจะให้ชื่อว่าจุไรท่องเที่ยวจักรวาลและ่ปดู ด, ดาวต่างๆ แต่ก่อนจะเข้าถึงเรื่องนั้นเขามันดาลูกหลานทั้งหลายจงจำไม่ว่าคำว่านิทานไม่ใช่ของจริงเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เรื่องไม่จริงก็ได้แต่ว่าให้มีคติสำหรับฟังก็แล้วกันตัวอย่างนิทานเมื่อสมัยพ่ อ, อยังเป็นเด็กเวลานั้นเห็นหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือนี้ไม่ใช่หนังสือไทยเป็นหนังสือเทศ คำว่าเทพ ค, คือไม่ใช่ไทยเจ้าของหนังสือจมูกดงผิวขาวตัวสูงแต่การเขาเขาก็เป็นขาวซีดพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องฟังเขาพูดก็ไม่รู้เรื่อ ง, ของเขาถือหนังสือมาะบับหนึ่งเขาก็ส่งให้พลิกไปเรื่องแรกเห็นมีหนูอยู่สามตัวเป็นหนูพ่อตัวหนึ่งหนูแม่ตัวหนึ่งหนูลูกสาวอีตัวหนึ่ง และในที่นั้นก็มีดวงอาทิตย์อยู่เบื้องบนส่งแสงสว่างจ้าแล้วก็มีเทวดาประจําดวงดาวอาทิตย์เห็นภาพก็ทาอย่างนั้นก็สงสัยจะอ่านหนังสือประเภทนั้นก็อ่านไม่เป็นเพราะไม่เรียนภาษานั้นจะไปหาใครเขาอ่านให้ฟังก็หาคนอื่นไม่ได้เจ้าของหนังสือก็ไปแล้วมองไปมองมาเห็นพี่สาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าพี่ป่า คำว่าพี่ปากปากที่โตพอรสระอากอสกตพี่ปากใจชอบพูดชอบอ่านชอบเล่านิทานชอบทุกอย่างชอบพูดดีชอบพูดไม่ดีชอบพูดจริงชอบพูดไม่จริงบางครั้งก็พูดปดพูดหยาบใช้วาจาทศ็ศส่อเสียดยุยงเข้แตกกันบางครั้งก็พูดไม่ได้เรื่อง แต่าบางคราวพี่ปากแกก็ดีแกพูดจริงมีประโยชน์แต่าบางครั้งพี่ปากแกก็ช่วยหาอาหารใส่เข้าไปในท้องแกรู้ความว่าพี่ปากมีทั้งคุณทั้งโทษ <c oughs> ตามที่สัทนทรพูดถึงว่าไว้ว่าคนจะโ่วดีก็ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยก็รชิวหาความจริงป่วยร่างกายยังไม่ดีก็ช่างมัน เวลาการผ่านไปหลายปีไม่ได้พูดกับลูกกับหลานชักลำคาญแล้วก็ถ้าลูกหลานจะถามว่าพ่อไปไหนมาก็ต้องตอบลูกทัหลายว่าพ่อกำลังเดินทางไปเมืองผีเดินทางไปเมืองผีนะเสียงไม่ไม่ชัดใช้เวลาเดินทางหลายปีทีแรกก็เดินช้าๆต่อมาพอศ .2525 ก็25 25. <c oughs> เริ่มเดิมเร็วขึ้น ต่อมาเมื่อพศ .2528 ตอนนี้วิ่งเมื่อพศ .2528 วิ่งจักวิ่งหนักใกล้เมืองผีเข้าไปพศ .2529 เข้าจัดเข้าประตูเมืองผีพอปลายพศ .2529 ก็เข้าเขตประตู <c oughs> มาถึงระยะนี้เข้าจากซึ่งเกือบจะถึงใจกลางเมือง เกือบจะยึดเมืองผีเป็นสมบัติอยู่แล้วแต่ประเอินปรากฏว่าผีใหญ่ปรากฏออกมามีบัญชาว่าเธอจงกลับเธอไม่มีอำนาจจะยึดเมืองผีเป็นสมบัติของตนได้ถ้าต้องการเมืองผีเป็นของตนแล้วใช้ปัญหนามาได้วันนี้มาไม่ได้กลับไปก่อนแล้วก็ไม่เมื่อดื้แข่งจะไม่กลับ เขาก็ส่งอาวุธร้ายคือพญาคือว่าพญาโอสถเป็นแม่ทัพใหญ่เข้ามากำจัดต้องถอยทัพกลับมาและในที่สุดในสามวันต่อมานี่ก็ส่งพญาอาหารเข้ามาทุ่มเทโจมตีอย่างหนักแก ต, ตีไม่ละก็ลงความว่าต้องกลับมาตั้งฐานทัพใหม่ที่เดิมแต่ก็จ้องอยู่ไม่กันถ้าผีเผืมอมาไลก็ยึดเมืองมานั้น โครวงความว่ายังไปอยู่เมืองผีไม่ได้ก็ตั้งตั้งใจกลับมาอยู่เมืองคนก่อนตอนนี้การที่มาอยู่เมืองคนบรรดาลูกหลานทั้งหลายมันก็ลำคาญแล้วก็มาอยู่กับพี่ปากพี่ปากแกก็ชวนพดูดในเมื่อเราไม่พูดใจ ก, ก็พูดแทนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกเป็นนิสัยชอบพดูด ในเมื่อพี่ปากชอบพูดก็เลยวานที่ปากในระยะนั้นตอนไปเด็กเห็นหนังสือจะบักนั้นเรื่องราวเป็นยังไงไม่ทราบวานให้พี่ปากเล่าให้ฟังพี่ปากแกดูดูก็ไม่ได้อ่านแกเล่าให้ฟังว่าถ้าอ่านมันำคานแกบอกเรื่องราวเป็นอย่างนี้นังสีอของเจ้าจะหมกดงผิวขาวซีดตัวสูง พูดฟูดฟฟฟหนังสือเล่มนี้มันก็เขียนแบบนั้นอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องพี่ปา ก, ก็เลยบอกว่าเดาตามภาพดีกว่าพี่ปากก็เลยเดาพี่ป่าไล่ฟังวันนึกว่าภาพต้องเป็นอย่างนี้เนื้อเรื่องของพี่ป่ามีว่าในหนังสือเล่มนี้ตามภาพมีหนูยุสองตัวซึ่งเป็นหนูใหญ่ตัวหนึ่งเป็นหนูตัวเมียตัวหนึ่งเป็นหนูตัวผู้ สมสู่อยู่ด้วยกันในฐานะสามีพัญญาแต่ก็ต่อมาหนูตัวเมียก็ตั้งครรภ์เธอมีท้องเมื่อหนูตัวเมียมีท้องสมาถัวผู้โถ่ผู้ก็มีหน้าที่หาอาหารแล้วก็นำพี่อภัวหนูตัวเมียซึ่งเป็นพัญญาไปอาบน้ําบ้างกินอาหารใกล้ๆถ้าไกลเกินไปก็ไม่ยอมให้เมียไปเกรงว่าจะมีอันตรายแต่บังเอิญในหนังสือนั้นไม่มีภาพแมว เป็นว่าหนูตัวนี้ไม่มีศัตรูจากแมวเมียอยู่เป็นสุขหัวก็เป็นสุขเพราะเมียมีลูกอยู่ใกล้เมียในความทุกข์ของตัวตัวผู่ตัวเมียมีอยู่ัวตผู้คือว่าจะต้องหาอาหารมาให้เมียเนยมากจะเป็นหน่อยเมียเมียหัวตัวหนูตัวเมียหาอาหารเลี้งเองตามลาพังตามที่อยู่ใกล้นอกจากนั้นก็ตั้งใจรักษาขันให้ลูกในตในในท้อง เกลื่อนความว่าหนูทั้งสองตัวมีทุกข์แต่ว่าเธอก็ไม่รู้สักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์มีแต่ความสุขใจคิดว่าเวลานี้เราจะได้ลูกเมื่อลูกคลอดออกมาก็ปรากฏว่าเป็นลูกตัวเมียขาวผ่องเป็นหนูเผือกหนูพ่อหนูแม่ก็เป็นหนูดำเรียกว่าหนูพุกเป็นหนูใหญ่แต่ลูกสาวออกมาในไซส์ขาวปลอด ท่านพ่อก็คิดว่าลูกสาวของเราเป็นหนูที่มีบุญบารมีมีศักดิ์ศรีมากทางที่ดีการจะให้ลูกแต่งงานกับหนูตัวใดตัวหนึ่งไม่เล่าหนูด้วยกันเขาจะไม่สมศักดิ์ศรีของหนูที่มีศักดิ์ศรีมากคือหนูลูกสาว <c oughs> ซึ่งเป็นหนูขาวหรือหนูเผือกเขาถือว่าเป็นหนูที่มีศักดิ์ศรีใหญ่จิงตั้งใจคิดว่า ใครหนอในโลกนี้ที่มีอนุภาพมากเราจะยกลูกสาวของเราให้เป็นพัญญาของท่านผู้นั้นเราจะได้เป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ก็สองคนตายายหนูศ <c oughs> ึกษาหารือกันว่าใครในโลกนี้ที่มีศักดิ์ศรีมากที่สุดมองไปมองมาเกิด <c oughs> ว่าพระอาทิตย์นี้เป็น ผู้ที่มีศักดิ์ศรีใหญ่มีอำนาจมากมีบุญรสนามบารมีมากต่รปรากฏว่าโลกทั้งโลกไม่ว่ามุมไหนของโลกเว้นไว้แต่มีที่บังที่นั่นแสงอาทิตย์ย่อส่องถึงเสมอฉะนั้นผู้ที่มีอนุภาพมากกว่าพระอาทิตย์ย่อไม่มีเมื่อภาษากันดังนี้แล้จรงคิดว่าถ้าลูกของเราเป็นสาวจะยกให้เป็นพัญญาของพระอาทิตย์ ต่างคนต่างตัดสิ้นใจตกลงกันตามนั้นก็พยายามประคบประงมลูกเป็นอย่างดีเป็น น, นับาตไในที่สุดลูกสาวก็เป็นสาวมีความสวยมากหนูทั้งหลายก็มีความต้องการอยากจะเป็นคู่ครองแต่ท่านพ่อพุกแม่พุกหนูพุ ก, น, ปปกนะก็บอกว่าสโวกเธอศักดิ์ศรีไม่ดีพอลูกสาวของเราเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีมาก ต้องเป็นพัญญาของท่านที่มีอนุภาพมากที่สุดในโลกนี้นั่นคือพระอาทิตย์จึงวันหนึ่งหรือวันดีคืนดีได้เริ่กจัดของขวัญตามสมควรสาหรับหนูนำลูกสาวไปหาพระอาทิตย์นีบ่บรรดาลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็จงคิดว่านิทานเรื่องนี้หนูเหาะได้ไปโลกอื่นก็ได้จึงโลกพระอาทิตย์ที่มีความร้อนแรงมาก ซึงในเรื่องดรรมะเกียนประพัน์ไว้ว่าเมื่อพระรักถูกห อ, อกมุกกัะสักจาเป็นต้องใช้ยาที่เขาสรรพัดดีแต่แผลของพร ะ, พร ะ, พ, ระพระรักนี้ถ้าถูกแสงอาทิตย์สองเมลรยต้องตายเหมือนั้นแก้ไม่ได้ไม่สามารถจะถอนห อ, อกมุกสักออกมาได้รักษาหายก็ไม่ได้ดังนั้นเมื่อเวลาใกล้สว่างการรักษาจะไม่ทัน ร, รามยังให้ฮาุ ม, มานไปห้ามพระอาทิตย์ยังไม่ให้ขึ้นเมื่อฮาดุ ม, มานไปถึงเห็นกองไฟดวงใหญ่ล้อมอยู่พระอาทิตย์นั่งรถขอโทษสุริยะเทพประบุคือพระอาทิตย์ลากกองไฟแสงสว่างมาทายรถฮาุ ม, มานเห็นเข้าไม่รู้ทํางไมก็โดดเขาจับทายรถทายรถพระอาทิตย์ก็วันแต่แสงไฟทั้งมีความร้อนแรงนั้นก็ไม่พาดูฮามานตายทั้งหมด ไม่ทั้งตัวเหลือแด่ขนเพศในที่สุดพระอาทิกก็ชุบคนเพศขึ้นมาเป็นอุมนตถามว่าท่านต้องการอะไรจึงมาห้ามเราคิดร็ทิ้งเอาไว้อนุมัยก็บอกว่าเวลานี้พระอะไรจจุระรามกำลังจะให้พิเภทศึกษาโรคพระเอก ร, รัชซึ่งเป็นน้องชายทหอกมกศุศ์ของกรมการถ้าหอกอันนี้ ต้องแสงอาทิตย์เมื่รัยนั้นรักแก้มไม่ฟื้นต้องตายแน่คอยพระสุริยะเทพบุตรหยุดรถอย่าให้แสงไปต้องหอกโมกษัตริย์เพราะอาทิตย์ก็บอกว่าวันเวลาหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเด้อวันคืนจะล่วงไปคือเปลี่ยนเวลาไปแต่ถึงอะไรก็ดีแสงเราเหล่านี้ไม่ถูกหอบมกษัตริย์แน่จึงคำํำขับรถเข้ากรีดเมฆ ให้เมฆบังไว้ส่วนหนึ่งซึ่งแสงนั้นจะสะท้อนไปถึงส่องไปถึงพระลักษมณ์ก็ไม่ถึงเมฆบังไว้รวงความว่าพระอาทิตย์ตามเรื่องรามเกียรติเป็นกองไฟดวใหญ่และก็มีเทวดา น, นำรถลาก ด, ดวงไฟกอนนั้นให้แสงสว่างกับโลกแต่ในเรื่องรามเกียรตินี้ก็เป็นนิทานเหมือนกันเพราะว่าความจริงพระอาทิตไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่ใ น, นเมื่อเป็นนิทานที่อย่างอะไรก็ได้เล่าเรื่องนอกไปนะต่อมาก็เป็นนว่าฮานุมายก็หอได้อันุมายก็ไปสัตว์คือลิงเวลานี้เรื่องนี้หนูก็หอได้เหมือนกัน <c oughs> กรวมความเม่อนิทานเรื่องนี้เป็นนิทา น, เ ร, นเรื่องหอจะต้องท่องเที่ยวในจักรวาลต่างๆคือดวงดาวต่างๆตามเรื่องราวของนิทานฉะนั้นลูกหักที่ฟัง จงเข้าใจว่าต่อ น, นี้ไปพ่อจะเล่ า, น, านิทานไม่ใช่เล่าพระสูตรหรือเล่าชาดกกลงความมนุนูสามตัวหอกไม่ทราบว่ากำลัฝึกอปิญญาที่ไหนถ้าเป็นอภัญญาต้องเรียกอภิญญาหนูหรือว่าอัิญญาพกุกในเมื่อหอกเข้าไปใกล้พระอาทิตย์ตอนนี้ไฟไม่ยักไม่ท่านแดงว่าแสงอาทิตย์หรือไฟดวงใหญ่ กัวลักษมีของหนูเป็นลวับสามหนูเข้าไปถึงพระอาทิตย์ได้พระอทิตย์ก็ถามว่านี่เธอมาทําไมเธอมาได้ยังไงก็ก็ตอบว่าห่ อ, อมาพระอาทิตย์ก็แปลกใจมองไปมองมาไอ้หนูก็ไม่มีปีกหนูก็ไม่มีเครื่องบินหนูก็ไม่มีตำรวจสำหรั บ, บจะใช้สามารถเถอะได้ต้องสือว่าหนูนี่มีบุญญาธิการมาก ยิงถามความประสงค์ว่าเจ้ามานี้เพื่อประโยชน์อะไร <c oughs> หนูก็บอกว่าการที่มาเนี่ยมีเจตนาใหญ่อยากจะนำของดีมาให้ทันพระที่ก็ถามว่าของดีนั่นคืออะไรหนูเพื่อหนูผู้เป็นพ่อบอกของดีคือลูกสาวเพรว่าเจ้ามีลูกสาวอยู่ตัวหนึ่งสวยมากเป็นหนูที่มีบุญญาธีการมากคือเป็นหนูเผือก ขาปลอดการที่หนูมีสีขาปลอดถือว่านหนูที่มีศักดิ์สีใหญ่ <c oughs> จะให้เป็นคู่ครองของไครก็เห็นว่าไม่สมควรว่าผู้ที่มีศักดิ์สีใหญ่เป็นึิงฝันอย่างนี้ต้องเป็นพัญญาของท่านมีท่านผูนมีอนุภาพมากในโลกจึงจะสมศักดิ์สีได้พิจนารณาแล้วเห็นว่าท่านมีอนุภาพมากที่สุดในโลกโลกนี้ทั้งโลก จะอยู่ที่ไหนก็ตาม <c oughs> แสงเทวรังของท่านปกคลุมส่องแสงถึงเสมอทําโลกทั้งโลกข้าว่างยังถือว่าท่านมีอนุภาพมากจริงๆฉะนั้นยงขอหมอหนูลูกหญิงให้เป็นปัญญาของท่านที่ได้สมศักดิ์ศรีที่มีหนุที่มีอนุภาพมากถ้าทิฝัังแล้วก็ยิ้มในใจ <c oughs> คิดในใจว่าพ่อหนูแม่หนูเอย๋ย เย้าคิดพลาดไปมากเราซึ่งเป็นสุริยะเทพบุตรคือพระคิดมีชีวิตอยู่บนสวงสวรรค์ร่างกายของเรานั้นเป็นนามธรรมไม่มีธาตุสี่คือไม่มีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟความแข็งแกร่งของร่างกายเหมือนกัะสับ์ในโลกและมนุษย์ในโลกไม่มี แลื้อสถานที่อยู่ของเรานี้ก็เป็นวิมานวิมานนี่เป็นนามธรรมเหมือนกันที่เป็นรูปก็เ่็รูปในนามความจริงเรื่องนามธรรมานี่บรรดาลูกหลานทั้งหลายบางคนคิดว่าไม่มีอะไรเป็นรูปเลยเขามีรูปเหมือนกันเรียกว่ารูปในนามคือนามธรรมาก็เป็นรูปเป็นรูปคนคนได้เป็นรูปสถานที่ก็ได้ได้ทั้งหมดทุกอย่างแปลว่าคนอย่างเราเรา ก็มีเนื้อมีหนังที่เรียกว่าธาตุสีบทวดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่มีธาตุสีมีน้ําหนักมากร่างกายใหญ่จะไปอยู่วิมานเขาพวกนา ม, มาทำเน่ยอยู่ไม่ได้ถ้าเดินเข้าไปถึงวิมานเมื่อไหร่ก็จะมีความรู้สึกว่าขณะนี้นั่งอยู่ในอากาศน้ําหนักจะถ่วงมากหล่นตกลงมาทันทีสําหรับพวกนามธมรทำจริงอย่างทาเทวดาหรือพรมเป็นต้น อย่างนี้เขาอยู่กันได้ต้อมีความเบาเสมอกัน <c oughs> นี่พูดกันตามภาษาชาว บ, บ้านชาว บ, บ้านเนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายฟังแล้วจงอย่าคิดว่านี่เป็นของจริงจเป็นนิทานพระอาทิตย์ก็คิดในใจว่าหนูทั้งสองนี่ตั้งใจผิดคิดคิดว่าเราพระอาทิตย์จะรับพัญญาที่มีรูปมีร่างกายคือท่าสีท่าน้ำท่าดินท่านลมท่านไปได้ นี่เป็นการหนึ่งเธอเป็นสัตว์ถึงแม้จะเป็นมนุษย์ก็รับไม่ได้เพราะสภาพร่างกายเขามนุษย์ก็ดีเขาใส่ก็ดีมีสภาพสกระบพมากไม่มีการส่งตัวซึ่งผิดกับเราซึ่งเป็นเทวดาเราเป็นเทวดาเกิดวันไหนโตทาไหนก็โตแบบนั้นตลอดไม่มีความเป็นเด็กไม่มีความเป็นคนแก่การป่วยไข้ไม่สมบายก็ไม่มีอาหารที่บริโภคก็ไม่ต้องหาอิ่มตลอดเวลา ถ้ารับลูกหนูมาเป็นปัญญาที่นี่ไม่มีอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีร้านขายปลาย่างปลาเค็มก็ไม่มีร้านขายถั่วทั้าอาหารหนูก็ไม่มีที่นี่ไม่มีการทํามาให้กินหนูเข้าใจผิดคิดว่าเราจะรับได้แต่ถ้าเขาว่าเราไม่รับพูดตรงมาตรงไปหนูก็จะเสียกําลังใจ <c oughs> พระอาทิตย์ยังได้หารนโยบายนี่พูดมาเหนื่อยๆ น, นะ ผู้อย่างนี้มันเลยให้เขาเขียนยกว่าอิชัวหน่อยยืนในฐานนโยบายทากาลังรักษากำลังใจของหนูทั้งสามก็จะเนี่นกล่าวว่าโพบริษัะดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านทั้งหลายผู้เจริญการมาของท่านถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งท่านนําลูกสาวที่เป็นหญิงมีความสวยสวยงดงามมาก ต้องถือว่าลูกสาวของท่านเป็นกุญภู้มีบุญบารมีอย่างสูงการที่มีรูปสวยสดงดงามอย่างนี้ได้ในชาติก่อนก่อนที่มาเกิดนี่ต้องเป็นคนประกอบด้วยเมตตาบารมีอย่างหนักเมื่อคนใดถ้ามีเมตตาบารมีมีแต่ความรักไม่กลก้ า, า, าตกลุ้นเป็นศัตรูกับใครเจอหน้าบุคคลใดก็ตามมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสและคําหน้าตาสดชื่น ไม่น่าบึงไม่น่าบูดราวาจาก็เผยเราะอย่างนี้บุคคลประเภทนี้ไปเกิดชาติไหนก็ตามจะมีความสวยสดสวยสงามเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นลูกสาของท่านเป็นเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากแต่ในการที่ท่านทั้งสองจะนำลูกสาวมายกให้ก็ขอขอบคุณด้วยคิดว่าเราเป็นผู้เมนุภาพมากในโลก ถ้าเราจะรับไว้ท่านจะเสียกำลังใจภายหลังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราจริงๆไม่มีนุภาพมากตามท่านคิดสิ่งที่ไม่เป็นมิตรคือเป็นศัตรูกับเราถึ่มีน้มภาพมากกว่าเรามีอยู่ท่านพูดเพียงเท่านี้ท่านก็ทิ้งทิ้งไว้หนูทั้งสองตัวก็สงสยัยถาว่าใครหน่อในโลกนี้ที่มีนุภาพมากกว่าท่าน เป็นศัตรูสำคัญที่พระท่านไม่สามารถถัดจะทำอันตรายเขาได้ <c oughs> ถ้าเขาแผงเดชขึ้นมาเมื่อไรกำลังของท่านจะถูกยักยัง้งถีนพรที่ก็กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นของไม่ยากท่านลืมสังเกตไปแสงของเราจนะใช้ความสว่างพุ่งไปในจักรวาลทั้งหมดได้เฉพาะอย่างยิ่นในโลกมนุษย์ที่ท่านอาศัยอยู่แต่ว่าเมื่อใดศัตรูข้แผลงฤทธิ์นั่นคือเมอ ก, ก้อนใหญ่ แส ง, งเราไม่สามารถจะท่องผ่านก้อนเมฆไปได้ที่ใดมีเมฆตรงแสงของเราแสงนั้นจะค้างอยู่ด้านบนตอนนั้นจะปราจะจากแสงสวางจากเราฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่าต้องการให้ลูกสาวได้สามีที่มีคุณภาพมากก็ควรจะไปะยกลูกสาวให้เป็นพันยาของพญามิ่งพราะพญามิ่งมีอำนาจวาสนามากมีคุภาพมากกว่าเรา โน้ตสองตัวฟังแล้วก็เห็นใจมีความเข้าใจว่าจริงๆนอนแหลขณะใดทีด่แสงพระทิตย์ไปปางครั้งร้อนจักพอมีเมฆเข้ามาบางังก็ปลายกฏว่าแสงก็แพระอาทิาตไม่ต้องการเราเปิดความเย็นฉะนั้นสิ่งที้มีนุภาพมากจริงๆในโลกยิ่งกว่าพระทิตต้องเป็นพยาเม็ด เมื่อมีความเห็นตรงแบบนั้นแล้วก็ขอขอบคุณท่านสุริยระเทพบุตรเจ้อาทิตย์ลาไปตั้งใจจะไปสถิตคือยกตูกสาวให้จก่ปญาเมฆพอไปถึงปัญญาเมฆก็พูดเหมือนพระอาทิตย์เรียนให้ทราบว่าต้องการมายกลูกสาวให้ว่าตอนนี้ขอย่อวันในฐานะที่ท่านมีอนุภาพมากมากกว่าสุริยระเทพบุตรเจ้อาทิตย์ ไปหามาแล้วพระอทิตย์บอกว่าท่านมีนุำภาพมากสามารถจะบบงแสงอาทิตย์ไม่ตกลงไปถึงโลกได้พญามิโกยอมรับว่านั่นเป็นความจริงถ้าอาทิตย์จะไม่จะมีนุำภาพมากทำแสงระหว่างทุมโลกก็ตามทีแต่น้ำภาพพวกเรานี่หนักกว่ามากสามารถแบงบางแสงไม่ผ่านไปได้ตามชอบใจในสถานที่ใดพระอาทิตย์ทําให้โลกร้อน เราก็าแสงเข้าไปบงังแสงอาทิตย์เสียโลกก็เย็นถ้าที่ไหนขายความชุ่มชื่นเราก็เอาเมฆของเราเข้าไปบงังและโปรยปลายน้ำแจกจ่าแสเมฆตกลง่มพื้นดินโลกก็ชุ่มชื่นสามารถปลูกพืชพันธุ์เป็ญยาหารได้ไม่ขาดน้ำํำอนุภาพของเรามากกว่าพระอาทิตย์จริงหนูก็บอกว่าการมาคราวนี้อาจารย์ลูกสาวประโยชนกับพระอาทิตย์ที่เมีอนุภาพมาท่านบอกเมียนุภาพสู้ท่านไม่ได้ ให้นำลรกสายของเราไม่ยกให้ทันพยาเมฆ ฟ, ฟังแล้วก็ตกใจอยู่ๆลาบใหญ่มจะมาถึงแต่ลาบนี้มันจะใหญ่เกินไปสำหรับพยาเมฆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพยาเมฆก็เป็นเพียงก้อนน้ำก้อนหนึ่งที่เป็นละออง น, น้อยๆก็จะเป็นก้อนซึ่งนน้ำแน่นนักอยู่ในอากาศอาหารสำหรับหนูไม่มี <c oughs> แล้วก็มีความเย็นจัด ถ้าหนูมาไว้เป็นปัญญาก็าไม่ต่างอะไรก็เอาหนูเขาไปแช่น้ำแข็งเธอก็ต้องตายสงสารชีวิตหนูใหญ่สองตัวคือพ่อแม่จะมีความโง่เขลาเบาบัญญาเหลือเกินแต่ว่าไ ด, พด้พูดโปร่งตรงเพราะเกรงว่าจะเสียกำลังใจเรากล่าวคำเป็นอุมมายว่าโพบุ ร, ร, พรีษัดูก่อนบรุษพูเจริญ ความจริงเรามีนุภาพมากกว่าพระย า, าพระอาทิตย์จริงพระรุญญติพบุตรนะจริงแต่ทว่าจะรับรูกหญิงท่านรับไปเวีนปัญญานะั้นมันไม่ได้อนุภาพของเราสามารถกัน้นแสงอาทิตย์ได้จริงแหละแต่ทว่าสิ่งที่มีนุภาพมากกว่าเรามีท่านหนึ่งเราจับก้อนอยู่ดีๆถ้าวันดีคืนดีเธอไม่ชอบใจก็มาทําลายก้อนอเราให้อาจาัยไป เป็นอันว่าอนุภาพของท่านผู้นี้ใไซเมื่อมาเมื่ไรเราแต่กระจายเมื่ไรพระที่เขซ้ําเติมทันทีแสงสงว่างพระที่นีจ้จะลอดตรงเบาทันทีทันใดหนูก็ถามว่าใครเนาะที่มีอนุภาพมากกว่าท่านพระยาเมก็บอกว่าท้าพายท้าพายเทพปบุตรมีอนุภาพมากกว่าเยอะท้าพายนี้ไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ใช่พระทอ พระภายนี้มีกําลังเบากว่าพระเจีวพระเจ้ยวมีกําลังน้อยกว่าทอพระทอสามารถไปในที่น้ําตื้นๆได้ทอเรือให้วิ่งไปได้พระเจ้ยวไม่สามารถจะทําได้แต่พระเจ้ยวก็มีน้ภาพมากกว่าพายพระเรือท่าใหญ่เกินไปพระพายภายไม่ไหวพระเจวนําไปได้กลุ่มว่าพระพายพระเจ้ยวที่พูดนี้ก็ถ่อมันอยู่ในแม่น้ําแต่ว่าพระภายที่พูดถึงเมื่อกี้นี้เป็นลม ไม่คืออยู่ในแม่น้ําพระพายคือลมวาตะคือลมรลมความว่าพระภายตงค์พระพญาเมฆก็บอกว่าพระพายมีนุภาพมากของเราท่านต้องการหลูกเขยที่มีนุภาพมากในโลกใั้ไปโยกให้พระภายคือลมพญาหนูเห็นใจค่อยลาพระพญาเมฆไปนําไปหาพระภายขอเล่าย่อไปถึงพระภายก็พูดเหมือนกัน ว่าเราที่จะว่ามีอนุภาพมากกว่าใครในโลกนั้นไม่จริงสิ่งที่มีอนุภาพมากกว่าเราก็คือกำแพงเราพัดไปด้วยกำลังแรงเจอกำแพงก็ต้องหยดุดเหมือนกันฉะนั้นกำแพงที่มีอณุภาพมากกว่าเราขอให้ท่านยกให้กำแพงเกิดแต่ในสุดหนูก็นำลูกสาวไปหาพยากำแพงแต่ไม่ใช่ว่าแยบประการนะรพยยากำแพงเจ็บพยากำแพงก็บอกว่าจริง ฉันสา ม, มารถยับยั้งพระไายไม่พัดต่อไป